ทุกขสัตว์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายบอกว่าทุกขสัตว์เป็นสุขขังนิจจังและอัตตาสมุทัยสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุแห่งทุกข์บอกไม่ใช่เหตุแห่งความสุขนิโรธสัจจะเป็นความสุขที่แท้จริงบอกมันจะไปดียังไงไม่มีรูปเสียงจะไปสนยยุกได้ยังไงมรรคสัตว์ก็บอกพระพุทธเจ้าบอกว่านี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความสุขนะมันบอกว่าหู้ทายากทํายาก ยิ่งทำยิ่งทุกข์คา ง, งั้นนี่สิมาทำความชั่วสนุกจะตายกันนะก็เลยพวกนี้ก็เลยทำอะไรที่ทุกอย่างตรงกันข้ามกับการแทงตลอดอริยสัจมันก็จะมีถนนคนเมาตลอดปีเนี่ยนะก็ออโทษของวัตตะให้มาใหม่นี่ก็พันพวกที่ปฏิบัติผุดขึ้นมุดลงในอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นถูกบาปอากุศลคือฝีลูกศรแล้วก็ นะโรคหัวฝีลูกสอนทิ่มแทงเข้าอย่างนี้ไม่ประสบยาที่รักษาโรครักษาฝีรักษ า, าลูกสอนศาสตว์โรคทั้งหลายใครน้อยนักนะที่บอกเมื่ อ, อไรนะฉันจะเลิกเศร้าหมองใจสักทีหนึ่งเมื่ อ, อไรนะเมื่ อ, อไรจะเลิกเศร้าหมองสักทีหนึ่งกิเลสมแปลว่าความเศร้าหมองใช่ไหมความหม่นหมองความขุนหมองความหมองมัวในจิตใจทั้งหลาย เมื่อใดนะจะถึงวันนั้นเมื่อใดนะจะเป็นวันที่สดใสตลอดกาลเนี่ยนะเมื่อใดนะจะเลิกขุนเลิกมัวเลิกเศร้าเลิกมองเลิกเครียดเลิกหงุดหงิดเลิกมีบาปเลิกมีอกุอกศลหรือว่าธรรมดาไปเสียแล้วยอมรับสภาพไปแล้วนะถ้ายอมรับสภาพไปแล้วนี่เสียหายหรือดีอะถ้ายอมรับสภาพก็เรามันปูตุชนจะเป็นายไปใช่ห ม, มันจะเศร้ามองบ้างอากุศลมันจะมีอยู่บ้าง จะบาปมัง่งจะเศร้ามองบัง่งจะดีบ้างจะชั่วบ้างกระช่างมันตรายแล้วก็อยู่ได้ทนได้ดีไหมอย่างงี้นั่นแหละรักษาไว้ดีเยี่ยมนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รักษาสถา น, นะของตัวเองไว้ดีเยี่ยมรักษาสภาพของปุตุชนไว้อย่างดีและก็ดําเนินข้อปฏิบัติมุ่งไปหากองทุกได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวดูเหมือนเก่งนะนันะดูเหมือนเก่งมากแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรเลย บรนดาความประพฤติอัตกิละมัานุโยคการมสุขันลิกานุโยคนั้นน่ะนะอัตกิละมัานุโยคและการมสุขัลลิกานุโยคเป็นสังกิเลสเป็นความเศร้าหมองเศร้าทั้งเศร้าทั้งหมองอ่ะนะที่จริงอ่ะเศร้ากับหมองกิเลตเนี่ยโดยสัพน์แปลว่ามองความหม่นหมองแต่ความหม่นมองเหล่านี้นํามาสู่ความเศร้าจนได้ก็เลยเรียกว่าเศร้าหมองความหม่นมองในบ้างที่ไม่นําไปสู่ความเศร้า ม, มีไหม เคยได้ยินไหมในที่สุดความหมองทุกอย่างนําไปสู่ความเศร้าสมมติาตานี่มันห ม, นมน่นมองมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะเดินไปไหนอะ่ะเดินไปสู่ความเศร้าก็เลยเรียกว่าทั้งเศร้าทั้งมองทั้งขุนทั้งมัวแล้วไฟทั้งหลายก็ลุกท่วมขึ้นมาในจิตใจสมถะวิปัสนาเป็นโวทานเป็นความหมดจดจากความเศร้ามองเหล่านั้น น, นะสมถะวิปัสนาเป็นโวทานเป็นความหมดจด อัตตะกิละมัฐานุโยกการมสุขคันลิกานุโยคชื่อว่าโรคเพราะเสียดแทงสมถะและวิปัสนาชื่อว่ายารักษาโรคอัตตะกิละมัฐานุโยคและการมสุขคันลิกานุโยคชื่อว่าหัวฝีสมถะและวิปัสนาชื่อว่ายารักษาหัวฝีอัตตะกิละมัฐานุโยคและการมสุขคันลิกานุโยคชื่อว่าลูกศอนคือเสียดแทง สมถวิปัสนาคือยาที่เป็นเหตุถอนลูกซรอก็คือการผ่าตัดเพื่อถอนลูกซอนทั้งหลายคงจะมองออกนะว่าข้อปฏิบัติของพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรนอกศาสนาทั้งหลายคือบางทีนะเอเรานี่คนในหรือคนนอกศาสนากันแน่เอาไงดีในหรือนอกโดยมากนอก อ้าวก็มาดูว่าเนี่ยถ้าตัวเมื่อใดที่หมกมุ่นไปในการมาสุขเมื่อใดก็นอกอ น, นัตถะอัตตะกิร่มถานุโยกก็นอกการมาสุขคลิกานุโยกก็นอกถ้าสมถาวิปัสนาเนี่ยในใจวั น, ว, นวันหนึ่งไปกับสมถาวิปัสนาเท่าไหร่คนในหรือคนนอกอ้าวก็อาก้อาวรั บ, รบด้วยก็ตามใจอ่ะนะเป็นคนในคนนอกก็ตามใจเหมือนกันเถอะอะไรหลอกตัวเองไม่สําเร็จหรอกอ แต่ว่าถ้ากล่อมตัวเองจนเป็นคนในได้จริงๆก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าทําได้อย่างนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเนี่ยนะท่านก็สมถาวิปัสนาเป็นยารักษาโรคสมถาวิปัสนาเป็นยารักษาฝีสมถาวิปัสนาเป็นยาที่ถอนลูกศรลูกศอนเหล่านี้มันปักอยู่เนี่ยนะลูกสอนคือบาปอากุศสเหล่านี้ถ้าปักอยู่ภายในก็เดือดร้อน สรุทบทวนนะว่าข้อปฏิบัตินอกศาสนาคืออัตกิละมัานุโยกกับการมสุขลิกานุโยกอัตกิละมัานุโยกการมสุขลิกานุโยกเป็นความเศร้าหมองเป็นโรคเป็นหัวฝีแล้วก็เป็นโรคสอนสมถาวิปัสนาตรงกันข้ามเป็นความหมดจดเป็นยารักษาโรคเป็นยารักษาฝีเป็นยาทอนโรคสอนเป็นยาที่รักษาตะปูทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจ บรรดาธรรมะเหล่านั้นรู ป, ปกายและนามกายที่เป็นสังกิเลตกล่าวคืออัตตะกิลามัานุโยค ก, กับการกาสุขันลิกานุโยคคือชีวิตความเป็นไปของพวกอัตตะกิลามัานุโยคพวกการมาสุขันลิกานุโยคชีวิตของพวกเขาเหล่านี้เป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะตันหาที่เกี่ยวคล้องรู ป, ปกายและนามกายอันนั้นเป็นสมุทยสัจจะเกี่ยวคล้องผัวพันธุ์ ผู้ที่ประพฤติการมสุขลิกานุโยกกับอัตตกิละมัานุโยกอยากคิดว่าเขาไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นนะมีความสุขอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอ่ะนะเพราะความพอใจความผูกพันความความเพลิดเพลินของเขานั่นแหละเป็นสมุทยาสัจจะเพราะว่าที่ใดมั่งที่ที่เป็นที่คลายตันหานี่นะ ที่ใดดินแดนใดแห่งใดเมื่อใดเนี่ยนะเป็นที่คลายแห่งตันหานี่หายากอย่างนึกถึงสภาพของประเทศอินเดียเนี่ยนะสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีพระชนอยู่สมัยที่พระสาวกทั้งหลายปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจจะอยู่สมัยนั้นเป็นสมัยที่เฟื่องฟูเป็นสมัยที่ดับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างสงบราบคา แต่พอมายุคนี้นี่แทบไม่เหลือเลยณนะดินแดนแห่งนั้นเนี่ยนะเต็มไปด้วยอัตตะกิระมัฐานุโยค ก, กับกามสุขันลิกานุโยคพวกที่หมกมุ่นในกามก็หมกมุ่นแบบสดดไอ้พวกที่ทรมานตัวก็ทรมานแบบสดดเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยสดๆดอยู่ที่ที่นั้นหมดเลยนะทั้งอัตตะกิระมัฐานุโยคทั้งกามสุขัลลิกานุโยคเนี่ยนะสรุปแล้วก็ในที่สุด อย่างที่ว่าใครไปอินเดียตอนนี้ยุงกับมแมลงวันเนี่ยจะเยอะกลางวันนี่มแมลงวันไม่ใช่น้อยกลางคืนยุงก็จะมากพูดอย่างนี้ใครเลยไม่ไปไหว้พระเลยนะแต่ว่าถ้าไปหน้าร้อนเนี่ยลำบากอย่างนั้นจริงๆหน้าร้อนที่อินเดียนี่เยี่ยมมากนะ40่สี่กว่าองศาบางทีก็45ห้าองศาเนี่ยนะต้องมุดมุดอะไรก็ได้อยู่นี่นะมันบ้านดินนี่สวรรค์เลยแหละมาสวรรค์นบนดินก็คือบ้านดินที่ฉาบด้วยขี้โค่นนั่นแหละนะพอจะเย็นได้บ้าง ของแอร์ของคนยากเหมือนแล้วก็แมลงวันเนี่ยเยอะโอยไม่น่าเชื่อแมลงวันอาจจะเยอะขนาดนั้นนั่งสบายๆกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมกลางคืนนี่ก็ยุงเวลาพูดคุยกันนี่ต้องหุบปากพูดเพราะงนั้นเดี๋ยวยุงมันจะแบบนะพูดกัดกัดฟันพูดนะเดี๋ยวมันจะเข้าปากเยอะขนาดนั้นนะ่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะผลของมิจฉาทิฏฐิเพราะผลของการมัศุ ข, ขัลิกานุโยคเพราะผลของ อัตตากิละมัทานโยกมันยังคำมันก่อนเลยคำแบบสังเวทใจนะที่ประเทศไอ้บังกลาเทศอ่ะนายกรัฐมนตรีปรึกษากองทัพอากาศว่าจะกำจัดยุ่งได้อย่างไรนะฟังแล้วก็ต้องปรึกษากองทัพอากาศเพราะยุ่งมันมากนะจนประชาชนเนี่ยประท้วงมากเลยประท้วงนายกหญิงของบังกลาเทศแต่ทำไง ย, ยุ่งมันมากเหลือเกินนะ<ม>บอกว่าราปรึกษากองทัพอากาศว่าจะจัดการได้อย่างไรเนี่ยนะ ก็เพราะอะไรนะในที่สุดอัตตกิละมัานุโยกการมสุขันลิกาณุโยคที่เราถือว่าดีนักดีหนาะประเสริฐวิเศษเลิศเลอ เ, เ, เหล่านี้เนี่ยนะในที่สุดก็ไปเพื่อจะบินว่อนเหมือนยุงในที่สุดก็ไห้หไปสู่การเป็นมแมลงวันเน่ยนะเป็นตัวนอนเป็นสตัตว์เดราชาทั้งหลายนะก็ตกอยู่ในกองทุกข์แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมันก็ยังเป็นที่ยินดีพอใจของสัตว์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะส่วน ธรรมะที่ดับตัณห า, านะตัดตัณหาได้อย่างเด็ดขาดนั้นเป็นนิโรสัรจจะนิโรสัรจจะนี่แหละเป็ น, นที่ดับทุกสมถาวิปัสสนาเชื่อว่ามรรคสัจจะเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกพูดถึงบรรดาคัมภีทั้งหลายเนี่ยพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็ลงสมถาวิปัสสนาและอริยสัจเนี่ยคคือคำพีเนติปกรณ์ถ้าใครอ่านเนติปกรณ์เนเี่ไม่ได้สองไม่ได้สธรรมะสองกลุ่มไปเนี่ยถือว่าโอ้โหไม่ได้อ่านหรอก กว่าสายตาผ่านสาครั้งจบหมดแล้วอย่างเงี้ยทั้งเล่มอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเพราะว่าเนติประกรณ์เนี่ยพูดไปพูดมาจะมีเนี่ยสมถาวิปัสนาพูดไปพูดมาก็นี้ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรเจริญมีอยู่เท่านี้แหละขยายเรื่องอะไรมาก็ช่างเถอะเดินเรื่องมาสวิจิตพิสดารมาก็จบลงตรงนี้ประกาศอริยสัจ ท, ทั้งหมดเลยนะมาทบทวนเพราะอะไรนะเพราะบอกอยู่แล้วว่าเนติแปลว่า นำไปนำไปไหนนำไปสู่มรรคผลนิพพานเนติปกรณ์คือคมภีที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นการยกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องต้นถอยหลังไปไม่มีที่สุดเนี่ยมาทุกคนเดินทางมาสวัสดีท่านผู้มาจากที่ไกลไกลแค่ไหนบอกมานานแล้วเนี่ยนะมาจนไม่รู้เมื่อไรพุดแต่เรียกว่าเวียนตายเวียนเกิดเวียนจุติปฏิสนธิมานานเต็มทีละเนี่ยเนขะเรียกว่าผู้มาทางไกลแบบนั้น มันผู้ที่มาทางกลนี่อะไรพามาอาวิชากับภาวะตัญหาเนี่ยพามาทีนี้อวิชานำหน้ากับตัญหานำหน้าอาวิชาเป็นนิวรตัญหาเป็นสังโยชน์เนี่ยนะอวิชาก็พาหมกมุ่นพาแต่หลงงมงายกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปตัญหาก็พาเกี่ยวพาคล้องก็กลายเป็นพวกที่สแสวงหาไม่รู้จักอิ่มพอทิฏฐิจริตกับตันหาจริตก็แบ่งออกเป็นสองสาย ตันหาจริตอันนี้ตันหาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไอพวกทิฏฐิจริตก็เป็นทิฐิจริตก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตันหาสรุปว่าตันหากับอวิชชานี่แหละพาไปเมื่อตันหากับอวิชชาเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุก็พากันปฏิบัติอยู่ในการมัศุขันลิกานุโยค ก, กับอัตตะกิรมัทฐานุโยคผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในอัตตะกิรมัฐานุโยกข้อปฏิบัติเหล่านั้นเพิ่มโรคเพิ่ม ฝีเพิ่มลูกศรเพิ่มแต่บาปและอกุรสลธรรมทั้งหลาย น, นะเมื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มกรรมเพิ่มกรรมเพิ่มกิเลสเมื่อเพิ่มกรรมและกิเลสจะไปไหนก็ไปสู่อาบายทีนี้ตรงกันข้ามถ้าจะรักษาบุคคลเหล่านั้นให้หายก็รักษาด้วยสมถะและวิปัสสนาทีนี้การที่สมถาวิปัสสนาจะรักษาได้เด็ดขาดก็ที่การแทงตลอดอริยสัจสประการทุกขสัจจะควร กำหนดรู้ด้วยปริญญาสามสมุทยศัสตร์ควรละด้วยสมุทเฉ ท, ทประหารมัคสัจจะควรเจริญควรทําให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นิโรสัจจะก็ควรทําให้ประจักษ์แจ้งโดยอารมณปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่มากไปด้วยตันหากับผู้ที่มากไปด้วยวิชาเนี่ยนะผู้ที่มากไปด้วยวิชาเรียกว่าจริตไหนผู้ที่มากไปด้วยวิชาพวกกลุ่มทิฏฐิจริต ผู้ที่มากไปด้วยตันหาเป็นกลุ่มตันหาจริญเรารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นทิฏฐิจริตใครเป็นตัญหาจริญรู้ได้ผู้ที่ถือว่ารูปเป็นอัตตาอัตตาเป็นรูปนะพวกนี้แหละเป็นทิฏฐิจริญพวกที่หนึ่งสองผู้ที่ยึดถือเวทนาโดยความเป็นอัตตาสผู้ที่ยึดถือสัญญาโดยความเป็นอัตตาสผู้ยึดถือสังขารโดยความเป็นอัตตา ยึดถือวิญญาณโดยความเป็นอัตตาผู้ที่ถือยึดถือรูปตรงๆว่าเป็นอัตตานี่ก็เป็นทิฏฐิจริตผู้ที่ยึดถือนามว่าเป็นอัตตานะแล้วนามทั้งสี่นามบางพวกก็ถือเวทนาบางพวกก็ถือสัญญาบางพวกก็ถือสังขารบางพวกก็ ถ, ถือวิญญาณผู้ใดที่ถือตรงๆแบบนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นอัตตาพวกนี้เป็นทิฏฐิจริต พวกนี้จะเลยไปหาอุชเชทตททิถิด้วยนะผู้ที่เป็นตันหาจริตพวกนี้ยึดถือว่าอัตานี่มีรูปรูปเนี่ยอยู่ในอัตตาอัตตานี่อยู่ในรูปรูปไม่ใช่อัตารอกพวกนี้ไม่ได้ยึดถือว่ารูปเป็นอาัตานะพวกนี้ถือว่าอัตตาเนี่ยมีรูปรูปเนี่ยเป็นสมบัติของอัตตาเป็นบริวารบริขารของอัตตาบางพวกบอกเฮ้ย รูปเนี่ยอยู่ข้างในอัตตาอีกทีนึงบางพวกบอกไม่อัตตาเนี่ยอยู่ข้างในรูปมาแล้วแต่ว่ารูปสิงอัตตาหรือว่าอัตตาสิงรูปอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าใครสิงใครอ่ะแต่ว่าพวกนี้ก็ยึดถืออย่างอื่นว่าเป็นอัตตาแล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้ในฐานะบริขารของอัตตาบางพวกก็บอกเวทนาตนเนี่ยมีเวทนาบอกไม่ ตนนี่อยู่ในเวทนาเนี่ยอยู่ในตนบอกาตนอยู่ในเวทนาบางพวกว่าสัญญาตนเนี่ยมีสัญญาบอกสัญญาอยู่ในตนบอกตนอยู่ในสัญญาบางพวกตนเนี่ยตนเนี่ยมีสังขารบอก kins, ไม่สังขารอยู่ในตนบอกตนอยู่ในสังขาราพวกก็บอกว่าตนมีวิญญาณบอกวิญญาณในตนบางพวกก็ตนในวิญญาณพวกนี้จึงแบ่งเป็น สกายทิฐิมีวัตถุ20่บอันนะับ้บรรทัดเนี่ยเชื่อไหมสกายาทิฏฐิ20เรียบร้อยแล้วอันนะนัวิธีไล่นะหนึ่งยึดถือรูปโดยความเป็นตนสองยึดตนยึดถือเวทนาโดยความเป็นตนสยึดถือสัญญาโดยความเป็นตน4ยึดถือสังขารโดยความเป็นตนหยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตนอันนะั้นหข้อนี้เป็นพวกอุดเฉททิฏฐิทีนี้พวกตันหาจริต อ น, นันทไล่ไปเรื่อยๆนะ 6. ยึดถือตนมีรูป 7. หรือย่อมยึดถือรูปในตน 8. ยึดถือตนในรูปอัตตาในรูปนะพวกนี้ยึดถือเวทนาว่ามีตนเสร็จแล้วก็ละไว้สองข้อคือเวทนาในตนตนในเวทนาแล้วก็สิอตนนี่มีสัญญา 13. สก็สัญญาในตน 14. ก็ตนในสัญญา15้า ตนเนี่ยมีสังขารนะก็สังขารในตน17ก็ตนในสังขาร18ตนมีวิญญาณ19วิญญาณในตน20สุดท้ายก็คือตนอยู่ในวิญญาณก็เลยเรียกว่าส ก, กายยะทิฐิมีวัตถุ20ด้วยกันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิที่เป็นโลกุตระ สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระทำกิจอะไรทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทําให้แจ้งพระนิพพานโดยอารมณ์สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระและกุศลธรรมที่คล้อยตามสัมมาทิฏฐินั้นคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ โลกุตระสัมมาทิฏฐิและกุศลธรรมเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ตอมิจฉาทิฐิทั้ง8ประการนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นฆ่าศึกศัตรูเป็นปฏิปักษ์ตอมิจฉาทิฐิเป็นตัวที่ทําลายมิจฉาทิฐิทำลายมิจฉาทิฐิของใครผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิก็ทำลายสัมมิจฉาทิฏฐิของผู้นั้นนั่นแหละไม่ไปทําลายของใครหรอก สรุปว่าผู้ที่มีสัมมาทิฐิเช่นสัมมาทิฐิระดับโสดาปติมัติสัมมาทิฐิพวกนี้ก็จะละมิจฉาทิฐิได้อย่างเด็ดขาดอริยมัติมีองค์8นั้นนะนะสงเคราะห์จัดลงเป็นขันสามคือกองแห่งคุณธรรมสประการคือกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญาก็คือศีลขันสมาธิขันและปัญญาขัน สีละขันและสมาธิขันเป็นสมถะปัญญาขันเป็นวิปัสนาเนี่ยเป็นวิปัสนาบรรดาธรรมเหล่านั้นส ก, กายะส ก, กายะคืออะไรก็คืออุปาทานขันห้าเป็นทุกขสัจจะสกายะนะส ก, กายะคืออุปาทานขันห้าเหตุเกิดแห่งส ก, กายะคือตัณหาที่เป็นเหตุเกิดสั ก, กายะเป็นสมุทัยสัจจะอันเป็นเหตุให้เกิดทุกธรรมะที่ดับส ก, กายะ เป็นนิโรสัจจะเพราะเป็นที่ดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดชื่อว่ามรรคสัจจะเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์สัจจะสี่ประการเหล่านี้ทุกสัจจะควรกําหนดรู้สมุทัยสัจจะควรละมรรคสัจจะควรเจริญนิโรสัจจะควรทําให้แจ้งประจักษ์หรือทําให้ประจักษ์แจ้งก็คือทําให้บรรลุอ่ะนะให้เห็นจนได้อ่ะต้องสักวันหนึ่งจะต้องเห็น พระนิพพานนะเพราะพระนิพพานเป็นที่ที่ดับทุกข์เนี่ยนะนิพพานนี่เป็นนิโรธสัจจะเป็นที่เพิกถอนมิจฉาทิฐิผลถ้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็กําจัดมิจฉาทิฏฐิได้อย่างถาวรและตลอดไปเนี่ยนะสรุปว่าสัมมาโล ก, กุตระหรืออริยมรรสมาที่อริยมรรคประชุมประกอบพระพุทองค์แปดย่นย่อลงมาก็เหลือ ขันสามขันสามย่อลงมาก็เหลือสมถาวิปัสนาแสดงว่าสมถาวิปัสนาขยายไปเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็กระจายออกไปก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8อันนี้แหละเป็นมขสัจจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานานะข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานอั้นอริยมรรคมีองค์8ดนี่แหละเป็นตัวที่กําหนดรู้ทุกขสัจกําหนดรู้สกายะละสกายะ สมุทัยทำส ก, กายะนิโรธให้แจ้งนะนะกระวะอริยศาสตร์นี่จะเรียกอีกในหนึ่งว่าส ก, กายะส ก, กายะสมุทัยส ก, กายะนิโรธส ก, กายะนิโรธถาขามินีปฏิปทาก็ได้บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลนั้นอะบุคคลไหนบุคคลที่เป็นตันหาจริญกับบุคคลที่เป็นทิฏฐิจริตส ก, กายะทิฏฐิทั้งหมดมีเท่าไหร่มียี่สิบ ในยีเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตเท่าไรหตัหาจริตเท่าไรหาเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นผู้ที่ยึดถือรูปโดยความเป็นอัตตายึดถือเวทนาโดยความเป็นอัตตายึดถือสัญญาโดยความเป็นอัตตายึดถือสังขารว่าเป็นอัตตายึดถือวิญญาณว่าเป็นอัตตาบุคคลเหล่านีน้เรียกว่าอุเฉทวทีวาทีวาทะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าทิฏฐิ วาทีเนี่ยนะแปลว่าผู้มีมิจฉาทิฏฐิยึดถือว่าขาดศูนย์เช่นถ้ารูปสลายแล้วถือสมมติว่าพวกใดที่ยึดถือว่ารูปเป็นอัตตาถ้ารูปดับไปแล้วอะไรศูนย์พวกที่ยึดถือเวทนาเมื่อเวทนาดับก็ถือว่าศูนย์ผู้ที่ยึดถือสัญญาถ้าสัญญาดับไปก็ถือว่าศูนย์พวกที่ยึดถือสังขารถ้าสังขารดับไปก็ถือว่าศูนย์พวกที่ยึดถือวิญญาณถ้าวิญญาณดับไปก็ถือว่า ศูนย์พวกนี้เห็นว่าขันห้าเป็นอัตตาไล่นะบางพวกก็ถือรูปเป็นอัตตาอัตตาคือรูปรูปคืออัตตาอัตตาเป็นอันเดียวกันกับรูปเช่นพวกนี้ยึดถืออะไรสมัยใหม่ก็เน้นสมองว่าไงเน้นสมองว่าเป็นอัตตาอัตตาคือสมองบางพวกก็บอกหัวใจสิหัวใจคืออัตตาอัตตาคือหัวใจบางพวกทั้งหมดนั่นแหละคืออัตตาบางพวกก็บอกโอ้ยไอ้รูปที่มันละเอียดละเอียดที่มันสิงอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งมันเป็นอัตตาพวกที่ยึดถือว่ารูปเป็นอัตตาพวกนี้ก็มีรายละเอียดในนั้นอี บางพวกก็บอกว่าโอ้ยรูปไม่ใช่หรอกรูปเวทนาสิเป็นอัตตาความรู้สึกนี่สิเป็นตนตนคือความรู้สึกความรู้สึกเป็นตนบางพวกบอกไม่ใช่ความสำคัญหมายสี่สัญญาสี่เป็นอัตตาอัตตาคือสัญญาบางพวกไม่สังขารสิสังขารเลยสังขารก็คือเน้นเจตนาเ<บอก>จตนาสี่เป็นอัตตาอัตตาคือเจตนาบางพวกบอกไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเป็นอัตตา คนที่ไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยมากยึดถือวิญญาณว่าเป็นอัตตายิ่งสมัยใหม่เนี่ยนะพวกหนังผีหนังอะไรหนังผีหนังสางออกมามากๆเขาก็ากเลยึดพวกนี้ยึดถือวิญญาณว่าเป็นอัตตาสรุปว่าพวกนี้เป็นอุเฉทวาดอุเฉทวาดหมายคือว่าอยู่บนพื้นฐานลัทธิอุเฉทิฏฐิอุเฉทธิฏฐิพวกนี้ถือว่าทุกอย่างเมื่อตายแล้วศูนย์ไอพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยมีหลายกลุ่มนะบอกว่า บางพวกบอกว่ารูปเนี่ยนะเผาแล้วก็จบเลยบางพวกบอกไม่ต้องไปศูนย์ที่เป็นเทวดาบางพวกบอกไปศูนย์ที่พรหมพวกนี้ก็มีหลายศูนย์เหมือนกันนะคิดว่าไปขาดไปไปไปขาดณที่ใดก็แล้วแต่คือพวกกลุ่มอุเชททิธิพวกนี้ถือว่าเหมือนกับใครเห็นไอ้มุ่นไหมพรหมไหมมุ่นไหมพรหมถ้าโยนลงไปมันก็กลิ้งๆไปในที่สุดมันสุดของมันคนเดียวใช่ไหมเมื่อมันสุดลงพวกมิชชาทิธิอุเชทวาะพวกนี้ถือว่ามันสุด และแต่ว่ามันจะสุดอีกสั้นหรืออีกยาวบางพวกบ่โอ้อีก8 4ด0มืสี่พันกับมันจึงจะสุดบางพวกอีกหลายล้านกับมันจึงจะสุดแต่สรุปว่าในที่สุดมันก็สุดเหมือนกันหมดนะใครที่มีลทัทธิแบบนี้เป็นพวกอุเฉ ท, ท, ทิฐิหมดเลยนะว่าในที่สุดต้องไปศูนย์ณที่นั้นณนตำแหน่งนั้นและจะศูนย์หมดเลย